28. อังคุลิมานโจรวัตถุว่าด้วยโจรองค์คุลิมาบนบรรพชาข้อเกสมัยนั้นโจรองค์คุลิมานได้บรรพชาในหมู่ภิกษุชาวบ้านเห็นเข้าต่างบาดกลัวบ้างตกใจบ้างหนีไปบ้างไปเสียทางอื่นบ้างหลบหน้าไปบ้างปิดประตูบ้างคนทั้งหลายพากันตำหนิประนามโผล่ทนาว่า ฉนัยพระสมะัมมาชสัยศกยากยเจ้าทั้งหลายจึงให้โจรที่มีชื่อโด่งดังบรรพชาเล่า